ข้อที่สทางออกหรือวิธีปฏิบัติเมื่อจิตเควเพราะธรรมมุทัตคำพีปฏิสัมพิธามัชอธิบายความหมายว่าเมื่อผู้ปฏิบัติกำลังมณสิการคันห้าอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่โดยไตรลักษ์เกิดมีโอภาสคือแสงสว่างยานปิติปสัสธิคือความสงบเย็นสุ อธิโมคคือความโปรงใจหรือศรัทธาแก่กล้าปะคาหะความเพียรที่พอดีอุปทานสติชัดหรือสติกำกับอยู่อุเบขาจิตเรียบเสมอเป็นกลางหรือนิกันติความติดใจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัตินึกถึงโอภาษเป็นต้นนั้นว่าเป็นธรรมคือเข้าใจว่าเป็นมร หรือนิพพานเพราะการนึกไปเช่นนั้นก็จะเกิดความฟุ้งซ่านเป็นอุทธจัผู้ปฏิบัติมีใจถูกชักให้เผลไปด้วยอุทธจัแล้วก็จะไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสภาพที่ปรากฏอยู่โดยสภาพเป็นของไม่เที่ยงโดยภาวะที่เป็นทุกข์โดยภาวะที่เป็นอนัตตาดังนั้น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 ซึ่งเป็นเหตุให้จิตกวัดแกว่งวันไหวเหล่านี้เมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะเป็นผู้ฉลาดในธรรมุทัตจะไม่ลุ่มหลงคล้อยไปจิตก็จะไม่วันไหวจะบริสุทธิ์ไม่มองมัวจิตตภาวนาก็จะไม่คลาดไม่เสื่อมเสียคำพีชั้นอัตถกถาเรียกธรรมุทัตนี้ว่า วิปัสณูปกิเลสคืออุปกิเลสแห่งวิปัสนาสิบอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ผู้ได้วิปัสนาญาณอ่อนๆคือตรุณวิปัสนาภาวะทั้งสิบนี้เป็นสิ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่งและไม่เคยเกิดมีไม่เคยประสบมาก่อนจึงชวนให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมากผลแล้วถ้าเข้าใจอย่างนั้น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 เรือนี้การตินี้เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วแกเราแต่มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบาทนนธรรมจะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นจนมองเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วไม่ตื่นเต้นห ว, วั่นไหวไปกับวิปัสสนุ ป, ปกิเลสเหล่านั้น เป็นอันสางอุปกิเลเสได้ดำเนินก้าวหน้าไปในมรรคาที่ถูกต้องต่อไปจนบรรลุมรรคผลวิปัสนูปกิเลสิบคือหนึ่งโอภาษแสงสว่างซึ่งรู้สึกงามเจิดจ้าแผ่ซ่านไปสว่างสวัยอย่างไม่เคยมีมาก่อน 2. ยานความอย่างรู้ที่เฉียบแหลมคมกล้ารู้สึกเหมือนว่าจะพิจารณาอะไรเป็นไม่มีติดขัด 3. ปีติความเอิบอิ่มใจรู้สึกเต็มเปลี่ยมไปทั่วทั้งตัว 4. ปัสสติความสงบเย็น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 ทิโมกเกิดสัทธาอย่างแรงกล้าประกอบเข้ากับวิปัสสนาทำให้จิตใจมีความพองใสอย่างเลิศเกิน 7. ปัคาหักความเพียรที่ประกอบกับวิปัสสนาซึ่งพอเหมาะพอดีเดินเรียบไม่หย่อนไม่ตึง 8. อุปทานสติที่กำกับชัด มันคงไม่สั่นไหวจะนึกถึงอะไรก็รู้สึกว่าระลึกได้คล่องแคล่วชัดเจนเหมือนดังแล่นไหลไปถึงหมด 9. อุเบขาภาวะจิต ท, ที่ราบเรียบเที่ยงเป็นกลางในสังขารทั้งปวง 10. นิการติความพอใจติดใจ ที่สร้างความอาลัยในวิปัสนามีอาการสงบสุ ข, ขุมซึ่งความจริงเป็นตันหาที่ละเอียดแต่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถกำหนวดจับได้ว่าเป็นกิเลสบรรดาวิธีทั้งสี่ที่กล่าวมานี้ถ้าถือตามแนวอธิบายของอัรถกถาแล้ว <S <S ก็จัดได้ว่ามีวิธีที่เป็นหลักใหญ่เพียงสองอย่าง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 หรือสุทธาวิปัสสนาญาณิกอย่างหนึ่ง